มีกี่ชั่วโมงนะก็จะขึ้นวันใหม่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนในที่นี้คือ80ปีที่แล้วเนี่ยอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าก็เพียงแต่ขึ้นวันใหม่แล้วก็เดือนใหม่นะแต่ไม่ได้ขึ้นศักราชใหม่เพราะสมัยก่อนเนี่ยวันขึ้นปีใหม่ของไทยก็คือ1เมษายนะสมัยก่อนนี่คือสมัยรัชกาลที่5นะเพิ่งมาเมื่อสัก75ปีที่แล้วนะ ในสมัยราชการปัจจุบันนะที่เปลี่ยนให้วันขึ้นปีใหม่เป็นหนึ่งมกราก่อนนั้นนเนี่ยคนที่เกิดหนึ่งเมษานี่ถือว่าเป็นพี่นะคนที่เกิดหนึ่งมกราเนี่ยถือว่าเป็นน้องถ้าเป็นปีเดียวกันนะหนึ่งเมษานี่ก็ถือว่าเกิดก่อนหนึ่งมกรานะถือว่าเกิด ป, ปลายปีนก็ถือว่าเป็นน้อง แต่ว่าเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เรานะสมมุติขึ้นมาแล้วก็วันดีคืนนี้ก็รัฐบาลก็เปลี่ยนให้หนึ่งมกรานะเป็นวันขึ้นปีใหม่นะอันนี้เริ่มแต่ปี2483สนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราสมมุติกันขึ้นมาแต่สิ่งที่เราสมมุติหรือว่าสิ่งที่เรากำหนดเนี่ย ในที่สุดมันก็มากำหนดเรานะเมื่อเรากำหนดว่าหนึ่งมกรานะเป็นวันขึ้นปีใหม่หนึ่งมกราก็มากำหนดเรานะกำหนดนะการใช้ชีวิตของเรากำหนดความรู้สึกของเรากล่าวคือนะพอจะถึงหนึ่งมกรานี่เราก็ต้องรู้สึกว่าต้องเฉลิมฉลองต้องทำอะไรที่พิเศษนะเพราะว่านี่คือช่วงเวลาที่พิเศษนะถือว่าเป็นการ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลายคนก็หมายมั่นนะที่จะได้ตักตวงความสุขซึ่งก็มักจะหมายถึงความสนุกสนานรื่นเริงนะโดยเพราะในช่วงไม่กี่ชั่วโมงจากนี้ไปนะหลายคนก็เตรียมที่จะฉลองข้ามคืนโต้รุ่งนะพวกเราก็ถือว่าช่วงเวลาที่เป็นเวลาพิเศษเหมือนกันนะ เราถึงอยากจะสวดมนต์นะไม่ใช่แค่ข้ามคืนนะแต่มันมีความหมายถึงการสวดมนข้ามปนะีเราก็เลยมากันที่วัดก็มีวัดอีกมากมายนะที่จัดสวดมนต์ข้ามปีโดยเฉพาะในเมืองอนะันนี้แม้ว่าปีเก่าและปีใหม่มันจะเป็นสิ่งที่เราสมมติขึ้นมาแต่ว่า การที่เราให้ความหมายนะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่พิเศษนะมันก็มีประโยชน์นะถ้าหากว่าเรารู้จักหาคุณค่าสาระนะจากช่วงเวลาหรือว่าสมมติหมายดังกล่าวนะปีเ ก, ก่ากาลังจะผ่านไปในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเราก็ไม่ควรจะให้มันผ่านไปแต่ปีเก่านะ อย่าให้มันผ่านไปแต่ปี5 8อย่าให้มันผ่านไปแต่ปีนะไอความทุกข์เก่าเก่าเหตุการณ์เลวร้ายในอดีต ท, ที่ทำให้เราเศร้าโศกเสียใจโกรธแค้นรู้สึกผิดหนะ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นอดีตนะก็ให้มันเป็นอดีตนะผ่านไปจริงจริงจากจิตใจของเรา งัถ้าปีเก่าผ่านไปแต่ว่าใจเรายังอยู่กับปีเก่าห้าแดผ่านไปแต่ใจเราก็อยู่ยกับปีห้าแปดอันนี้ก็ถือว่าใจเรายังเก่าอยู่นะอีกไม่นานก็จะขึ้นปีใหม่นะแต่ถ้าใจเรายังอยู่กับเรื่องราวเก่าๆเหตุการณ์เก่าๆนะไม่รู้จักให้มันผ่านเลยไปอันนี้ก็ถือว่านะเสียประโยชน์ ใหม่ทั้งทีนะใจก็ต้องใหม่ด้วยและใจจะใหม่ได้ก็เพราะว่าเปลื้องจิตใจของเราออกจากเหตุการณ์เก่าๆในอดีตซะหลายคนก็ยังนะนะหวนคิดนะถึงเหตุการณ์เลวร้ายมีบางคนนะถอยหลังรถเนี่ยบอกว่าไปทับแมวตาย แมวกําลังน่ารักมันเกิดขึ้นแล้วนะแล้ผ่านไปแล้วแต่ทุกวันเขาก็ยังเหมือนกับว่ายังถอยรถนะกลับไปทับรถเอากลับไปทับแมววันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่า แ, แมวตายไปนานแล้วนะแต่เขาก็ยังรู้สึกเสมือนว่ายังทับแมวขับรถทับแมวอยู่นั่นแหละบางคนถูกโกงเงินไปนะ เป็นแสนหรือเป็นล้านถูกโกงไปนานแล้วแต่ทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกมันก็ว่ายัางถูกโกงยังสูญเสียเงินเป็นแสนเป็นล้านอีกวันแล้ววันเล่าไม่ใช่เป็นอาทิตย์นะแต่เป็นเดือนแล้วก็อาจจะเป็นปีด้วยบางคนนะคุมอารมณ์ไม่ อ, อยู่นะว่าใช้คำรุนแรงกับพ่อแม่นะที่กำลังเจ็บป่วย หรือว่าที่กำลังแก่ชาราถ้วถึงแม่ท่านนะจากไปเป็นปีแล้วก็ยังรู้สึกเสมอว่ายังต่อว่ายังใช้คำนะแย่ๆนี่กับท่านอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเหการณ์มันผ่านไปนานแล้วนะแต่ว่าเมื่อรดก็ตามที่เราคิดถึงมัน ก็เหมือนกับว่าเราทำซ้ำอีกซ้ำอีกซ้าอีกซ้าอีกนละนี่คือการนะทำร้ายตัวเองเป็นการซ้ำเติมตัวเองปีใหม่จะไม่มีความหมายนะถ้าเกิดว่าใจเรายังจมปลักอยู่กับเรื่องเ็วร้ายในอดีตของปี56ปี57หรือปี58ก็ตามการสิ้นสุดของปีเก่าเนี่ยมันควรจะหมายถึงการสิ้นสุดของความทุกข์หรือยอย่างน้อย นะเรื่องราวเลวร้ายในอดีตของเราควรจะยุติได้เพื่อที่เราจะได้เริ่มต้นใหม่แต่เราจะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้นะถ้าหากว่าเรายัางติดอยู่กับปีเก่าเรื่องราวเก่าๆเมื่อเกือบสองร้ปีก่อ น, นมันมีการเทศธรรมาทุูนะ่ที่มีชื่อเสียงมากระหว่างสมเด็จพระพุทธจารย์หรือลวงพ่อโตนะวัดอักขงกับท่านเจ้าคุณพิมลธรรมนะวัด พระเจุตพลหรือวัดโพธธรรมาคู่นี้ก็เป็นการแสดงถึงความสามารถในเชิงปฏิพานคารมแล้วก็ความเข้าใจความลุ่มลึกในทางธรรมาด้วยก็มีตอนหนึ่งเจ้าคุณพิ่มนธรรมก็เริ่มต้นด้วยกรอนพนะายเทอรนาพ่อพายตะวันจะสาย ตลาดจะวายสายบัวจะเน่าแล้วก็จบแค่นั้นก็เป็นหน้าที่ของหลวงพ่อโตยต้องต่อแล้วก็ต้องต่อให้ได้ได้ทั้งอัดถะแล้วก็รสชาติด้วยก็คือว่าภาษาก็ต้องคล้องจองรับกันแล้วก็สาระทางธรรมก็ต้องมีแล้วไม่ด้อยไปกว่าที่เขาตั้งกระทูไว้หลวงพ่อโตนั่นต่ออย่างไรท่านก็ตอว่าก็โซยังไม่แก่ปัจจัยยังไม่ไข จะพายไปไหวได้อย่างไรพ่อเจ้านะเราก็มักจะยิ่งค่าว่าเวลาไม่คอยท่านะเหมือนวารีนะนะไม่คอยไม่คอยเรานะต้องรีบนะต้องรีบทำเวลานะต้องรีบไปข้างหน้าโดยเพราะสมัยนี้เป็นสมัยที่ผุกคนต้องรีบนะเพราะว่าถ้าเราชาร้าหนึ่ง1ก้าเราก็ถูกแซงไปแล้วสมัยนั้นก็เหมือนกันนะท่านก็เลยบอกเนี่ยพายเถอะนะพ่อพายนะ แต่ว่าหลวงพ่อโตท่านพูดได้ลึกซึ้งมากนะท่านก็บอกว่าจะพายไปได้อย่างไรจะไปข้างหน้าได้อย่างไรถ้าโซ่ยังไม่แก้ปัจจัยยังไม่ไขอะไรก็คือสิ่งที่ล่ามเรือไม่ให้ไปข้างหน้าก็คืออดีตนั่นแหละอดีตอันเจ็บปวดเหตุการณ์ที่เลวร้ายเพราะฉะนั้นปีใหม่เนี่ยนะก่อนที่หรือพร้อมๆกับที่ปีเก่านะจะสิ้นสุดหรือผ่านเลยไปนะ เราก็ต้องปล่อยนะเหตุการณ์เก่าๆสิ่งเลวร้ายในอดีตให้มันออกไปจากใจของเราด้วยเพื่อใจเราจะได้ใหม่การเดียวกันเนี่ยเราก็ควรจะนะเก็บเกี่ยวเอาสิ่งดีๆนะของเหตุการณ์ที่ผ่านมาในปีที่แล้วไอ้ที่ไม่ดีก็ปล่อยมันทิ้งไปนะไอ้สิ่งที่ดีก็ควรจะเก็บมาไม่ควรจะปล่อยให้ผ่านเลยไปกับกาลเวลา อาจารย์พรมวังโส น, นี่ท่านเคยเล่านะอาจารย์พรมวังศสตเป็นพระชาวอังกฤษแล้วไปสอนที่ออสเตรเลียท่านเคยเล่าเป็นนิทานว่ามีชายคนหนึ่งนะเป็นเป็นเจ้าของฟาร์มไก่ทุกเช้าวขจะตื่นขึ้นมาแต่เช้าตรู่นะแล้วก็ฮิวต ก, ก้านะเพื่อที่จะไปยังเล้าไก่แกลเลี้ยงไก่ไว้เยอะเลย แต่เมื่อแกไปถึงเล้าไก่แกก็เอาแต่โกยเอาแต่เก็บขี้ไก่ใส่ตะ ก, ก้าแล้วก็ปล่อยไข่ไก่ซึ่งมีอยู่แยะเอาไว้เมื่อโกยขี้ไก่ใส่ตะ ก, ก้าแล้วก็เอามาที่บ้านก็ส่งกินเหม็นนะแล้วแกก็ทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันไข่ก็ไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์ในส่วนขี้ไก่นี่ก็ส่งกินเหม็น รบกวนคนทั้งบ้านแต่มีอีกคนหนึ่งนะทุกเช้านีนะ่แกก็ถือตะกร้าไปที่เล้าไก่เหมือนกันเพราะว่าเป็นเจ้าของฟาร์มไก่เมื่อแกไปถึงเล้าไก่แกก็เก็บไข่นะเก็บไข่ใส่ตะกร้าแล้วก็ปล่อยขี้ไก่เอาไว้ในในเล้าแลเพราะว่าไว้ในนั้นก็จะเป็นปุ๋ยนะ ถึงวันดีคืนีีก็ไปขายได้แกก็เอาไข่มากลับมาที่บ้านแล้วก็มาปรุงอาหารทำไข่เจียวไข่รพระโลกนะอาหารก็อร่อยนะทุกคนก็มีความสุขนิทานนี้เนี่ยบอกอะไรนะต้องการบอกว่าเมื่อเรานะเราผ่านประสบการณ์ต่างๆมากมายในชีวิตแล้วก็ในแต่ละวันในแต่ละปีมันก็มีทั้งสิ่งดีแล้วก็สิ่งไม่ดี ้คนฉลาดเนี่ยเขาก็จะเก็บแต่สิ่งดีๆเหมือนกับชายคนที่สองนะเก็บแต่ไข่เอาไว้เอากลับบ้านแต่คนที่ไม่ฉลาดเนี่ยนะก็จะเก็บแต่สิ่งที่ไม่ดีไปที่ทำงานเจออะไรไม่ดีก็เอามาบ่นที่บ้านว่าจอนายไม่ดียงงไม่ดียางนี้นะไม่ได้มาบ่นอย่างเดียวแต่เก็บไว้ในใจนะย้อนไป เวลาผ่านไปแต่ละปีก็นึกแต่หเหตุการณ์ที่เลวร้ายความสูญเสียความพัดพรากนะการถูกต่อว่าด่าทอมีแต่เรื่องเหล่านี้เนี่ยในความทรงจำแต่ที่จริงเราเลือกได้นะว่าเราจะเป็นอย่างชายคนที่หนึ่งหรือคนที่สองนะเราจะเก็บแต่ไก่แต่ไข่เอาไว้ หรือว่าาจะเก็บแต่ขี้เอากลับไปบ้า น, น, นเมื่อปีใหมนะ่กำลังจะมาปีเก่ากำลังจะผ่านพ้นไปขอให้เรานะเลือกเก็บสิ่งดีๆประสบการณ์ดีๆทีนะ่ประทับใจนะความดีของผู้คนที่อยู่รอบตัวเราเพื่อร่วมงานเก็บเอาไว้ในความทรงจำ เหมือนกับเเวลาเราทําอัลบั้มภาพเนี่ยเราก็เก็บแต่ภาพแห่งความสุขอัลบั้มภาพที่เรามีในบ้านหรือในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่มีนะภาพแห่งความเศร้าความเจ็บปวด ถ, ถูกคนต่อว่าด่าทอหรือว่ารถติดหงุดหงิดหรือว่าถูกโกงหรือว่าสูญเสียเงินเราเลือกได้นะเราเก็บเอาสิ่งดีๆของปี58เอาไว้ นะเพื่อเป็นกำลังใจนะเพื่อทำให้เราเกิดศรัทธาในตัวเองภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็ศรัทธาในเพื่อนมนุษย์นะผู้คนรอบข้างถ้าจะมีสิ่งดีๆสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นนะก็เราลึกถึงมันเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจนะให้เราเนี่ยนะไม่ทาผิดพลาดซ้ำสองหรือเพื่อให้เรานะเอามาใช้เป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิต เราจึงจะ ก, ก้าวเดินไปข้างหน้าได้ไการคิดถึงอดีตเนี่ยไม่ใช่มาเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเพียงแต่ว่าเราจะคิดอย่างไรพระเจ้าตรัสว่าเนี่ยบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัยไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัยนะอันนี้ก็คือไปนึกมันด้วยความหลงด้วยความไม่มีสตินะแต่ถ้าเราเระลึกด้วยความมีสติใช้ปัญญาใคร่ครวญอันนี้ทําได้และควรทำนะมันจะเกิดประโยชน์กับเรา อันนี้คือสาระนะที่เราควรจะได้จากนะปีที่กาลังจะผ่านไปนะการสิ้นสุดของปีเก่านะมันเตือนใจให้เราเนี่ยรู้จักปล่อยวางเรื่องเก่าๆที่เจ็บปวดนะหรือความทุกข์แนอดีแล้วขณะเดียวกันมันก็เตือนเราด้วยนะหรือให้กำลังใจกับเรานะว่าทุกอย่างมันมีวันสิ้นสุดได้ขณะที่เราปล่อยวางความทุกข์แนอดี ก็ให้เราตระหนักว่าความทุกข์ในปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่ใช่อยู่กับเราไปตลอดนะมันก็เป็นของชั่วคราวที่ไม่ยั่งยืนเหมือนกันเหมือนกับปี58นะที่สักวันหนึ่งมันก็ต้องสิ้นสุดและมันก็กำลังจะสิ้นสุดในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราอุปสรรคนะปัญหานะที่กําลังลุมล่มเราเราอยู่เนะี่ยจนบางครั้งเราจะสึกท้อแท้ให้เรามั่นใจนะว่ามันจะ มีวันยุติมันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดมันก็จะผ่านไปนะเหมือนสายน้ำนะเหมือนกาลเวลาเหมือนกันให้การจากไปของปี38นี่มันทำให้เรามีความหวังนะมีกำลังใจในการที่ดำเนินชีวิตต่อสู้อุปสรรคต่อไปขเดียวกันก็ให้ปีใหม่นะมันเป็นนี้วิสัยของการเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ บ, บางคนปีใหม่ก็อาจจะหมายความเพียงแค่ว่า จะได้มีอยากจะมีรถคันใหม่โทรศัพท์เครื่องใหม่มีบ้านหลังใหม่เพราะาคิดว่าถ้ามีของใหม่ๆเหล่านี้แหละจึงจะมีชีวิตใหม่แต่จริงชีวิตใหม่เนี่ยไม่อยู่ที่การที่มีสิ่งของใหม่ๆนะจะมีคนรักหรือเพื่อนให้ของขวัญสุดพิเศษแบเราอย่างไรในวันส่งท้ายปีกก่าต้อนรับปีใหม่จะเป็นแหวนเพชรจะเป็น รถยนต์จะเป็นโทรศัพท์มันก็ไม่ทำให้ชีวิตเราใหม่ไปได้นะอย่างแท้จริงเพราะว่าพอได้มันมาสักพักไม่นานก็คงจะเบื่อนะและไม่นานมันก็กลายเป็นของเก่าโทรศัพท์นี่ไม่นานก็ตกรุ่นนะรถไม่นานก็ตกรุ่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ทำให้ชีวิต ใ, ใหม่ได้อย่างแท้จริงแต่ถ้าจะใหม่ได้ก็เพราะใจที่ใหม่ ใจจะใหม่แล้วก็เป็นใจที่สดใสเบิกบานอยู่เสมอซึ่งส่วนแล้วเกิดขึ้นจากการที่เรารู้จักปล่อยรู้จักวางนะไอ้เรื่องเก่าๆนะอย่าให้ใจเราเก่าในเมื่อมันขึ้นปีใหม่ลวเมื่อปีใหม่ใจก็ต้องใหม่แล้วอย่าอย่ารอให้มันใหม่ปีละครั้งจนะดีกว่าถ้ามันถ้าใจเราเนี่ยใหม่ทุกวันใหม่ทุกวัน รอให้ใจใหม่ปีละครั้งนี่มันนานนะแล้วเราทําให้ใจเราใหม่ทุกวันได้นะทุกวันเป็นวันใหม่ใจเราจะใหม่ได้อย่างไรนะนอกจากที่พูดไปแล้วนะเรื่องการปลดเปื้องไอ้สิ่งเก่าๆไปจากใจสิ่งแรกที่เราทําได้คือนะก็คือเห็นเห็นสุขทุกขณะ ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยนะแทนที่จะนึกถึงสิ่งแย่ๆที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะลองมองเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่รอบตัวนะความสุขเนี่ยนะมันอยู่กับเราแล้วอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่าอธิมาประทับใจเพื่อนนะคนหนึ่งก็เขียนสอกรสไปถึงเพื่อนอีกคนขอให้เธอเห็นความสุขนะไม่ได้บอกว่าถอขอให้เธอมีความสุขขอให้เธอเห็นความสุข เพราะว่าความสุขมันอยู่กับเธออยู่แล้วแต่เธอจะเห็นหรือเปล่าคนที่มองแต่ลบนะก็จะเห็นแต่ทุกข์หรือว่าสิ่งที่ตัวเองไม่มีแต่ถ้ามองเป็นเนี่ยมันก็จะเห็นสุขทุกข์ทนะัการที่เรายังไม่เจ็บไม่ป่วยการที่เรายังมีพ่อมีแม่มีคนรักการที่เรายังกินอิ่มนอนอุ่นตามองเห็นนะหูได้ยินแขนขาไม่พิกการ มีอิสระที่จะไปไหนมาไหนได้นั่นก็เป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราและเป็นสุขที่เกิดขึ้นในทุกขณะแม้แต่เจ็บป่วยเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเห็นสุขได้ทุกขณะเหมือนกันเจ็บป่วยก็ยังมีความสุขที่ยังมีตามองเห็นคนรักยังมีตาที่มองเห็นหน้าลูกหน้าพ่อแม่มีมือที่ยังสามารถจะสวมกอดเขาได้หรือว่าทาอะไรดีๆให้กับเขาได้นมีแขน ที่จะสวดมนต์มีขาที่จะมาเดินจงกรมหรือว่าพาตัวเองเนี่ยมาวัดหรือพาพ่อแม่ไปเที่ยวอันนี้คือความสุขที่เราสามารถจะประสบสัมผัสอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่าคนที่มองแต่ทุกข์นะไม่ว่าสุขแค่ไหนก็ยังเห็นแต่ทุกข์คนที่มองเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองไม่มี ก็จะรู้สึกพร่องอยู่เรื่อยไปนะแม้ว่าจะได้เท่าไหร่ก็ยังคิดว่าตัวเองเสียนะได้โบนัสสองแสนะก็ยังทุกข์นะเมื่อรู้ว่าเพื่อนได้สามแ 0,000 นแทนที่จะมองว่าตัวเองได้กับมองว่าตัวเองเสียส่วนคนที่เสียเนี่ยเสียทรนะัพย์นะเพราะถูกโกงหรือเพราะภัยธรรมชาติเช่นน้าท่วม ถ้ามองเป็นเขาเขาก็มองว่าตัวเองได้ได้ธรรมะอย่างคนที่เคยเจอน้าท่วมใหญ่ปีห้าสี่นะหลายคนนะทุกข์แต่บางคนก็ไม่ทุกข์เพราะเขาพบว่ามันสอนให้เขารู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเขาอย่างแท้จริงไม่มีอะไรที่เราเป็นเจ้าของได้อย่างแท้จริงมันเป็นของที่มาเพียงชั่วคราว อันนี้เรียกว่าเสียของแต่ได้ธรรมะได้ปัญญาซึ่งก็จะช่วยทําให้ยากที่จะมีความทุกข์ได้มันกลายเป็นภูมิคุ้นกันภูมิคุ้มกันความทุกข์ไปสูญเสียเท่าไหร่นะใจก็ไม่หวั่นไหวไม่สะดุ้งสะเทือนเพราะว่ารู้ตั้งแต่แรกว่ามันเป็นของที่อยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวมองให้เป็นนะมันก็จะเห็นสุขนะถ้ามองไม่เป็นก็เห็นแต่ทุกข์มีเรื่องนึงที่ตมานะรู้สึกว่ามัน มันบอกได้ดีนะเป็นเรื่องของซิกโก้นะซิกโก้นี้เขเป็นพวกเรารู้จักดีนะเกติศักเซนามเมืองเนี่ยแต่ก่อนที่เขาจะเป็นโค้ชทีมชาตินะที่นำชายชนะมาให้กับคนไทยมากมายเนี่ยเขาเคยเป็นดาร า, า, ราฟุตบอลระดับซูปเปอร์สตาร์เคยเป็นกัปตันทีมชาติเคยเป็นดาราที่นํา ริงประตูเนี่ยสูงสุดของประวัติศาสตร์นะักฟุตบอลไทยก็เคยไปค้าแข่งอาชีพนะบอลอาชีพที่เมืองนอกนะประเทศเพื่อนบ้านก่อนตอนหลังก็ได้รับเซ็นสัญญาไปไปเล่นนะที่อังกฤษนะในสโมสอนลีกอันดับหนึ่งเลยไม่รู้ตอนนั้นมันพรีเมียร์ลีกมีหรือยังนะประมาณ1ิ1 5ปีที่แล้วเป็นข่าวใหญ่มากนะคนไทยก็รอว่าเมื่อไหร่ซิโก้จะได้ลงสนาม เขาเองก็ถือว่าเป็นความฝันสูงสุดที่จะได้สวมเสื้อสโมสร อ, อังกฤษลงสนามแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่เคยได้ได้ลงสนามเลยได้แต่นั่งเป็นตัวสำรองอยู่ข้างสนามเขาเครียดมากทุกมากนะกินไม่ได้นอนไม่หลับรู้สึกเหมือนกับหัวจะแตกให้ได้แล้วทอนหลังก็สื่ว่าการไปอังกฤษเนี่ยล้มเหลวไม่อยากพูดถึงแต่ละนั้นไม่กี่ปีแล้ว มีคนมาสัมภาษณ์เขาถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นซิโก้ยิ้มเลยนะหัวเราะทั้งที่ก่อนหน้านั้นนี่เขาเครียดมากเนะี่ยแต่ตอนนี้เขาหัวเราะนะเหตุการณ์ยังเหมือนเดิมคือไม่ได้ลงสนามแต่ว่าเขาหัวเราะเขาบอกว่ามันไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ผมมองไม่ออกมองไม่เห็นมองไม่ออกมองไม่เห็นมองอะไรไม่เห็นเขาบอกแปอังกฤษครันั้นมีแต่ได้กับได้ได้รถได้บ้าน ได้ภาษาได้พัฒนาทักษะนะได้พบคนมากมายได้ท่องเที่ยวนะได้สัมผัสหรีกที่มีสีสันที่สุดในโลกได้เปิดมุมมองใหม่ๆเสียยงเดียวไม่ได้เล่นไม่ได้ลงสนามตอนนั้นเขาได้เยอะนะแต่เขามองไม่เห็นเขาเห็นแต่ข้อเสียคือไม่ได้เล่นต่อเมื่อเวลาผ่านไปเขาถึงพบว่าโอ้เขาได้เยอะเหมือนกันนะได้เยอะทีเดียว ได้เจ็ดแปดอย่างนะเสียอย่างเดียวถ้าคนที่มองลบเนี่ยก็จะเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองเสียหรือไม่สมปรารถนาแต่ถ้าคนที่มองบวกนะเขาก็จะพบวเขาได้แล้วจงเยอะแยะนะไอ้สิ่งที่เขาได้มันเกิดขึ้ น, ข น, ข น, ขนขเขาอยู่แล้วแต่เขามองไม่เห็นต้องใช้เวลาอยู่หลายปีถึงจะมองเห็นนะก็ยังดีที่มองเห็นนะกาที่บางคนเนี่ยมองไม่เห็นเลยได้เยอะแยะแต่มองไม่เห็นมีมากมายแต่มองไม่เห็น ความสุขที่มันอยู่กับเราทุกขณะอยู่แล้วนะดังั้นอย่างแรกเนี่ยนะที่เราควรทําให้ให้ได้เนี่ยเริ่มต้นปีใหม่ก็ได้คือเห็นสุขทุกขณะแล้วข้อสองคือละทุกขได้ไวความทุกเนี่ยนะมันไม่ได้เกิดจากคนอื่นมากเท่ากับเกิดจากใจที่ไปแบกเอาไว้นะใจที่แบกเอาไว้แบกเรื่องที่ผ่านไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วก็ยังแบก หรือแม้แต่เรื่องที่ยังเป็นปัจจุบันก็ยังแบกเมื่อแบกเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นหนี้สินอุปสรรคในการทํางานหรือแม้แต่ความเจ็บความป่วยไอ้ของพวกนี้แม้มันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะแต่ว่าถ้าเรารู้จักวางบ้างใจก็ไม่ทุกขนะ์มันทุกข์เพราะแบกนะเสียงไม่ว่าจะดังแค่ไหนถ้าใจเราไม่ไปจดจ่อกับมันนะ เราก็ไม่ทุกคําพูดที่เจ็บที่เลวร้ายนะถ้าเร า, เราไม่เก็บเอามาคำหนึ่งนะมันก็ไม่ปวดเอาแล้วก็ตามเนี่ยแม้แต่แก้ ว, วแก้ ว, วแก้วหนึ่งใบนะแก้วเนี่ยที่ไม่มีน้ำเนี่ยเพียงแค่เราถือไว้เฉยเฉยเนี่ยสินาทีมันก็เริ่มหนักแล้วแล้วถ้าเราถือต่อไปเนี่ยยีสนาทีเนี่ยมือก็เริ่มสัน่น ถ้าเราถือต่อไป30นาทีเนี่ยมันก็จะปวดเมื่อยแก้วน้ำเปล่าเปล่ า, ลาไม่มีอะไรนะกระดาษก็เหมือนกันกระดาษที่ไม่มีน้ำไม่มีน้าหนักเลยนะเราถือไปอย่างเงี้ยถือไปสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเอาครึ่งชั่วโมงก็ได้ก็หนักแล้วหน้ราราษาก็หินนะหินก้อนใหญ่เนี่ยถ้าไม่แบกก็ไม่ไม่ทุกนะแต่ที่เราทุกเพราะแบกรู้จักวางมั่งนะรู้จักปล่อยให้เร็ว หลวงพ่อชาติเขบอกว่าเนี่ยทุกมีเพราะยึดทุกยึดเพราะอยากทุกมากพราพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยนะเห็นสุขทุกขณะแล้วก็ละทุกได้ไวนะแล้วประการต่อมานะก็คือว่าใจตื่นรู้อยู่เสมอถ้าใจตื่นรู้เนี่ยมันมันจะมันจะไม่แบกทุกนะเพราะว่าทุกแบกแล้วเนี่ยมันทุกแบกแล้วมันเหนื่อยแต่พ่อไม่รู้ตัวนะจึงแบกเมื่อก็ตามที่เรารู้ตัวนะมันก็จะ ปล่อยมันก็จะวางไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอารมณ์เศร้าโศกเสียใจรู้สึกผิดโกรธแค้นไอ้ที่โกรธเนี่ยเพราะไม่รู้ตัวมันก็เลยแบกไม่ยอมปล่อยใจตื่นรู้อยู่เสมอตื่นเช้าขึ้นมานะทำใจสดชื่นนะอยู่กับปัจจุบันเวลาล้างหน้ากร็รับรู้ถึงสัมผัสของน้ำที่ที่ชำระนะใบหน้ารู้สึกเย็นสบายรู้สึก สดชื่นแจ่มใสไม่ต้องปล่อยใจลอยไปคิดเรื่องน้อยเรื่องนี้ไม่ต้องนึกถึงโทรศัพท์มือถือว่าจะต้องรีบเปิดไปดูข้อความทางเฟสทางไลนะ์ทำอะไรก็ให้ใจอยู่กับปัจจุบันนะใจก็จะตื่นก็จะรูนะ้ความรู้ตัวนี่แหละนะที่จะทำให้อีกสองข้อนี้เป็นไปได้เห็นสุขทุกขณนะละทุกได้ไวแล้วใจตื่นอยู่เสมอ จริงแล้วนี่แหละที่ทำให้ใจเราใหม่ได้ทุกวันนะแล้วก็ใหม่ได้ทุกชั่วโมงแล้วก็ใหม่ได้ทุกนาทีแล้วมันจะยิ่งกว่าการที่เราจะมาฉลองปีใหม่นะปีละครั้งนะดันั้นถ้าเราทําอย่างนั้นได้นะมันก็ทําให้ปีใหม่เนี่ยมันมีความหมายนะแล้วก็มีความหมายและที่มีความหมาย วันนั้นคือว่าวันที่ใหม่อยู่เสมอและวันใหม่สำคัญกับปีใหม่นะวันใหม่สำคัญกับปีใหม่เพราะามันสามารถจะทำได้ทุกวันเกิดขึ้นได้ทุกวันปีใหม่แต่ใจเศร้านะมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าวันใหม่และใจเราใหม่นะมันก็ทำให้เรามีเรื่องมีแรงวี่ดำเนินชีวิตตอนนี้ก็หลายคนก็เริ่มนะที่จะเขาดาวนะเขาดาว แต่อย่ารอเข้าดาวเพื่อให้ปีใหม่มาถึงนะเพราะในความจริงเนี่ยชีวิตเราก็เข้าดาวเหมือนกันกำลังนับถอยหลังเหมือนกันเราคนมัวแต่นับถอยหลังนะเพื่อให้วันปีใหม่มาถึงแต่เราก็ต้องไม่ลืมนะว่าทุกขณะเนี่ยชีวิตเราก็นับถอยหลังเหมือนกันนะในแง่หนึ่งปีใหม่ก็หมายความว่าเรามีชีวิตยืนยาวขึ้นปีหนึ่งแต่ในแง่นึงมันก็หมายว่าเรากาลังใกล้ความตายอีกหนึ่งปี เราใกล้ความตายเข้าไปอีกหนึ่งปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราลึกถึงอันนี้บ้างเพื่อเราจะได้ไม่ประมาทนะอย่ามัวแต่เพลิดเพลินดีใจนะกับปีใหม่ที่มาให้เราตระหนักว่าเรากําลังเดินเข้าใกล้ความตายเข้าไปอีก1ปีนะแล้วเราพร้อมหรือ ย, ยังนะเราเตรียมตัวเตรียมใจหรือ ย, อยังนะสำหรับวันที่การนับถอยหลังสิ้นสุด มันนับถอยหลังจนถึง 10, 9, 8, 7 2 3 2 0 1วันที่เราจะหมดลมเนี่ยมันก็เข้าใกล้เราเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนี่ก็การตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรแต่ละลึกนึกถึงยอยู่ทุกปีเหมือนกันนันว่าเรากาลังนะชีวิตเรากาลังเหลือน้อยลงเรากาลังใกล้ความตายไปทุกทีทุกที ถามใจตัวเองว่าเราพร้อมหรื อ, อยังและเวลาที่เรามีเราได้ทำให้มันดีมีค่าหรื อ, อยังเราหายใจแต่ละวันแต่ละครั้งเนี่ยลดทิ้งไปเปล่าๆวันแต่ละวันเราปล่อยให้มันผ่านเลยไปโดยไรประโยชน์หรือเปล่ายิ่งเราลึกถึงว่าเวลาเราเหนือน้อยลงมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าวันแต่ละวันมีค่ามากขึ้น แล้วเราจะรู้สึกว่าทุกวันที่เราตื่นเช้าขึ้นมาเราขอบคุณที่เรายังไม่ตายขอบคุณที่เรายังมีชีวิตอยู่ขอบคุณที่เรายังมีโอกาสที่จะทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองและกับคนที่เรารักนะมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยมีความสุขได้ง่ายขึ้นนะไม่ต้องมีอะไรก็ได้นะเพียงแค่รู้ว่าเรายังมีลมหายใจเรายังมีวันใหม่นีที่เรายังจะสามารถจะทาอะไรได้อีกมากมายที่มีประโยชน์มีคุณค่า อย่างที่บอกไว้แล้วนะว่าทุกอย่างมันก็มีวันสิ้นสุดนะในแง่หนึ่งความทุกข์ของเราก็จะมีวันสิ้นสุดแต่ขณะเดียวกันความสุขของเราที่เรามีอยู่ในปัจจุบันมันก็จะมีวันสิ้นสุดเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรลืมนะสำหรับการส่งท้ายปีกล่าต้อนรับปีใหม่สิ่งดีๆที่เรามีนะสุขภาพกำลังวังชาทรัพย์สินเงินทองรวมทั้งนามธรรมต่างๆ ก็เตรียมตัวเตรียมใจนะไว้รับมือกับสิ่งเหล่านี้ด้วยว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราไอ้ความทุกข์ก็อาจจะรอเราอยู่ข้างหน้าด้วยนะสวดมนต์ทุกเช้าเนี่ยนะเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้เป็น ผ, ผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วเราก็ไม่รู้หนะ้าปีหน้าเนี่ยนะ58าเนี่ยมันจะมีความทุกข์อะไรรอเราอยู่บ้างแต่ก็ต้องมีเป็นธรรมดานะจะเป็นความเจ็บความป่วยนะจะเป็นความ พัดพรากสูญเสียพัดพรากจากสิ่งรักพบจากสิ่งที่ไม่รักพบกับสิ่งที่ไม่รักก็ต้องเตรียมใจไว้นะอย่ามัวแต่ดีใจเมื่อปีใหม่มาถึงนะแต่ควรเตรียมใจไว้ด้วยนลเมื่อวันสองวันได้ฟังนะเพลงนะมาแล้วปีใหม่ต้องชัยโยนะทำไมต้องชัยโยนะก็พอดีใจทาไมดีใจเพราะปีใหม่นะแต่ที่จริงเนี่ย ในเมื่อปีใหม่เนี่ยมันอาจจะเจอเร า, อาต้องเจออะไรนะที่ไม่ไม่อยากจะเจอนะอุปสรรคความยากลาบากเหตุการณ์บ้านเมืองวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจ ต, ตกต่ำํำกั้นอย่าอย่ามัวแต่ชัยโ ย, ยงเดียวนะงานะปีใหม่มาแล้วนี่ก็ต้องต้องพุทโธด้วยนะไม่ใช่ชัยโยอย่างเดียวปีใหม่มาแล้วนี่นะนะต้องพุทโธด้วยอย่ามัวแต่ชัยโยพุโทโธหมายความไงพุโทโธหมายก็ว่าให้เราลึกถึง ธรรมะราลึกถึงพระไม่ใช่แค่เราลึกว่าพระพุทธเจ้าจะคุ้มครองเราให้อยู่รอดปลอดภัยจากปัญหาอุปสรรคแต่หมายถึงว่าเพื่อให้เราลึกถึงคําสอนพระพุทธองค์เพื่อจะนําไปใช้ในการรับมือกับอุปสรรครับมือกับความทุกข์รับมือกับปัญหาต่างที่ดาหน้าเข้ามาอย่าโมจะใช้โยดีใจนะต้องเผื่อใจไว้นะกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาให้เกิดแต่เมื่อมันเกิดแล้วก็ต้องใช้พุทโธนี่แหละช่วยเราได้นะ อย่างน้อยก็ถ้าเราเอาจิตกําหนดที่พุโทโธจิตใจมันก็สงบไม่ว้าวุ่นกระสับกระส่ายและถ้ลอนนึกต่อไปถึงว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรนะเอาธรรมะมาใช้ได้อย่างไรอย่าลืมว่าธรรมะยอมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมนะทำที่ประพฤ ด, ดีแล้วย่อมนําสุขมาให้ตนอันนี้เป็นพุทธภาษิตเนี่ยแม้เราจะเจอทุกอย่างไรนะแต่เราสามารถจะพบสุขได้นะอันนี้พระเจ้าตัดไวนะ้เนี่ยผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบ หาสุขเพราะเพราะอะไรเพราะว่าประพฤติธรรมนะและประพฤติด้วยดีด้วยทำที่ประพฤติดีแล้วย่อมนําสุขมาให้ให้ให้เรานะเราลึกนึก ถ, ถึงธรรมอยู่เสมอซึ่งที่จริงการที่พวกเรามาที่นี่เนี่ยก็ก็เชื่อแน่อยู่แล้วว่าพวกเราเนี่ยน ะ, ะมีใจใฝ่ธรรมนะและยิ่งปีใกล้จะถึงวันสิ้นปีใกล้จะถึงนะการเปลี่ยนศักราช นะแทนที่เราจะไปสนุกสนานกันเราก็มานะมาวัดมาสวดมนตนะ์อีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะสวดมนต์ข้ามปนะีในการสวดมนต์ข้ามปีนี่ก็ก็น่าทึ่งนะว่าภายในเวลาแค่ไม่กี่ปีก็กลายเป็นวัฒนธรรมนะในการส่งท้ายปีเก่านะของผู้คนจำนวนมากเดี๋ยวนี้วัดในกรุงเทพนี่แทบทุกวัดนะก็มีการสวดมนต์ข้ามปีกัน แต่ก็เราวางจิตวางใจให้ดีนะในการสวดมนต์หลายคนสวดมนต์ข้ามปีเพราะว่าหวังว่าจะเกิดสิริมงคลนะทำให้ปีใหม่เป็นปีที่เต็มไปด้วยความสุขความเจริญหรือหวังว่าอนิานุภาพแห่งการสวดมนต์นะจะทำให้จะบันดาลให้เกิดสิ่งดีๆกับชีวิตของเราตลอดปี 5-9 อันนี้ก็ดีอยู่นะแต่ว่าจะดีกว่านั้นถ้าเกิดว่าการสดหมดเนี่ยเป็นการย้ำเตือนให้เราเนี่ยมีความมั่นใจในพระพุทธรธรรมพระสงฆ์เพื่อว่าเราจะได้ตั้งหน้าตั้งตาทาความดีประพฤติปฏิบัติทราให้มากขึ้นนะให้เจริญนะในองค์มรรคนะในธรรมะยิ่งขึ้นรวมทั้งว่าเมื่อเกิดอุปสรรคเกิดความยากลาบาก เนะเกิดความทุกข์เราก็จะใช้ธรรมะนี่แหละที่พระเจ้าได้สอนนี่แหละนะในการรับมือกับมันนะไม่ใช่เขาด่าเราเราก็ด่ากลับนะเขาแกล้งเราเราก็แกล้งกลับเขากงเราเราก็งงกลับเขาแรงมาเราก็แรงไปหรือว่าพอทุกข์มากก็ไปหาเล่าไปหาสิ่งเสพติดไปหาอบยมุกนะอันนั้นไม่ใช่วิถีแห่งธรรมนะไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า เราเมื่อเจอเหตุการณ์ล่านี้เนี่ยเขาด่าเราเราก็ต้องใช้ธรรมะใช้สตินะไม่ตอบไม่ด่ากลับเขาทําร้ายเราเนะีเราก็ยังมั่นคงในศีลเราก็ยังมีจิตเมตตาอันนี้เรียกว่าใช้ธรรมะรับมือกับความทุกข์ถูกโกงนะเราก็ใช้ธรรมะนะในการปล่อยวางหรือว่าใช้ธรรมะเพื่อสอนใจให้เราไม่ประมาทเตือนใจให้เราลึกว่ามันไม่มี็อะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงอันนี้ก็ได้ธรรมะ ให้มันใช้ธรรมะนะในการแก้ปัญหารับมือกับสิ่งต่างๆที่มากระทบนะกับชีวิตจิตใจของเราหรือคนที่เรารักและการสมบันขั้นปีนี้จะเป็นการย้ำเตือนนะว่าเราจะใช้ธรรมะนะเราจะประพฤติปฏิบัติทำนะเพื่อรับมือกับความทุกข์อุปสรรคทั้งปวงอันนี้แหละก็จะเป็นประโยชน์นะสมกับที่เรานะได้อุตสาห์นะ และโอกาสที่จะไปสนุกสนานรื่นเริงนะมามาดัานต้นมาถึงนี่นะลำบากก็ลำบากนะแต่ว่าถ้าเราได้ธรรมะกลกับไปนะหรือว่าได้ความเชื่อมั่นในพระสัตว์ธรรมนะก็จะนับว่าเป็นประโยชน์คุ้มค่าเอาแล้วก็นะพอสมควรแก่เวลานะก็ถือโอกาสนี้นะอ่าอำนวยอว้พรให้พวกเราทุกคนนะได้เจริญนะในธรรม ขอให้บุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญนะจงช่วยทำให้เราเนี่ยเห็นสุขทุกขณะนะละทุกได้ไหวและใจตื่นรู้อยู่เสมอให้นํสามข้อนี่นาไปปฏิบัติเพื่อจะให้ชีวิตเราเจริญงอก ง, งามยิ่งขึ้นแล้วคอยทำที่เจริญงอก ง, งามในใจเราเนี่ยได้นําพาเราไปสู่ความพ้นทุกมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้ยวยกันทุกคนเถิด